อีกสูตรหนึ่งนะครับกุหนาสูตรว่า ด, ด้วยการหลอกลวงสูตรนี้ม่วนมากนักกุห น, นาสูตรที่หลอกลวงนี่เป็นยังไงดูความพิสูจน์ทั้งหลายพิสษจเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้หลอกลวงนะครับหลอกลวงก็คือไร่มนเป็นต้นเนี่ยนะหลวงอ้างว่าตัวนี้มีความดียังง่นย่างงี้เนี่ยนะครับ มีใจกระด้างประจบประแจงประกอบด้วยกิเลสอันปรากฏดุดเขาอ่ะนะเขาๆบนหัวเนี่ยนะกิเลสปรากฏเหมือนเขาเนี่ยนะมีกิเลสดุดไม้อ้อสูงขึ้นมีใจไม่ตั้งมั่นเพียกสูเหล่านั้นเป็นผู้ไม่นับถือเราสถาคตมาคำนี้เอาใหม่นะครับเพียกสูเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้หลอกลวงมีใจกระด้างประจบประแจงประกอบด้วยกิเลสอันปรากฏดุดเขากวางเงนะ มีกิเลสดุดไม้อ้อสูงขึ้นมีใจไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ไม่นับถือเราตถาคตนะครับทีงจิงดุดเขาอ่ะนะเขาก็คือเขาบนศีสะนะครับมาจากบาลีวสิงคีนะครับดุดเขาสัตว์นะผมยกกับเขากวางว่างั้นนะเพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นปราศไปแล้วจากธรรมวินัยนี้นะครับเป็นคนจากธรรมวินัยนี้แหละครับเสื่อมสลายจากธรรมวินัยนี้แล้วนะครับถ้ามี พฤติกรรมคำพูดอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้โดยความพิสูจ์ทั้งหลายส่วนพิสูุเหล่าใดเป็นผู้ไม่หลอกลวงไม่ประจบประแจงเป็นนักปราดมีใจไม่กระด้างมีใจตั้งมั่นดีพิสูุเหล่านั้นเป็นผู้นับถือเราตถาคตไม่ปราดไปแล้วจากธรรมวินัยนี้และย่อมถึงความเจริญงอกงามภัยบูรในธรรมวินัยนี้นะคบ เป็นคนยังไม่จากศาสนานะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคนหลอกลวงมีใจกระด้างประจบประแจงนะครับมีกิเลสเหมือนไม่ออมีกิเลสเหมือนเขาจิตไม่ตั้งมั่นฟุง้งซ่านแบบนั้นก็เรียกว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้าจริงๆนะครับอนนทีนี้ที่อาจประโปรมทว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเผยแพร่จังนั้นอย่างนี้ถามว่ามีใจแบบนี้ไหมครับอา่ามีใจใกล้พระศาสนาหรือห่างจากพระศาสนาก็เอาคุณธรรมเหล่านี้ไปวัดนะครับทํามากทําน้อยไม่เป็นประมาณอยู่ที่ว่าพฤติกรรมและคําพูดตรงนั้นนะครับเป็นประมาณ เผยแผ่มากเผยแพร่น้อยแต่ถ้าเผยแพร่โดยทําตัวเป็นคนหลอกลวงใจกระด้างเป็นทําตัวประจบประแจงกิเลสเหมือนเขากิเลสเหมือนไม่อ้อจิตไม่ตั้งมั่นนะครับก็เผยแพร่ของตัวเองนั่นแหละครับเผยแพร่กิเลสตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าหากว่ามีคุณธรรมอย่างที่ว่าก็เผยแพร่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับภิกษุเหล่าใดเป็นผู้หลอกลวงนี่ข้อความในคาถานะ มีใจกระด้างประจบประแจงประกอบด้วยกิเลสอันปรากฏดุดเขามีกิเลสดุดไม้อ้อสูงขึ้นนะนะมันพองมันลำพองชูว่างั้นเถอะมีใจไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีความงอกงามในธรรมะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ไม่หลอกลวงไม่ประจบประแจงเป็นนักปราดมีใจไม่กระด้าง มีใจตั้งมั่นดีภิกสูเหล่านั้นแลย่อมงอกงามในธรรมะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วนะครับก็ตั้งอยู่ในศีลไม้ถ้าตั้งอยู่ในศีลก็งอกงามในธรรมของพระ อ, องค์นะครับทำไมตั้งอยู่ในจตุ ป, ปาริสุทิศีลก็ไม่งอกงามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาศีลนี่แหละครับเป็นมาตรฐานเบื้องแรกนะครับเมื่อศีลดีเป็นต้นศีลเหล่านั้นก็จะเป็นบาตของสมถะและวิปัสสนาชั้นสูงต่อไป ในอัตถกถากุหนาสูตรอธิบายว่าบทว่ากุหาได้แก่เป็นผู้หลอกลวงนะครับด้วยเครื่องหลอกลวงมีการร่ายมนต์เป็นต้นนะครับลายคาถาทำปักขมุบขมิบให้เขาเชื่อถือเนี่ยนะอธิบายว่าเป็นผู้ทำการหลอกลวงเพื่อต้องการประกาศคุณความดีที่ตนไม่มีแล้วให้ผู้อื่นสนเท่บางอย่าง น, น่ะให้ผู้อื่นเห็นแล้วหือไม่ธรรมดาพระองค์นี้บางอย่างน่ะนะเห็นแล้วเลื่อมใสเลยควักใจทันทีเลยนะครับ ท่านก็รีบรับเอาเดี๋ยวโยมจะเปลี่ยนศรัทธาหมดนะครับนั่นรีบเอาก่อนนะนะลักษณะนั้นก็แย่นะครับบทว่าท่าทาง ว, ว่าเป็นผู้มีใจกระด้างเพราะความโกรธและมานณนะครับคือเป็นผู้ไม่ทําความเคารพย้ำเกรงอย่างยิ่งในครูทั้งหลายผู้ควรทําความเคารพไม่อ่อนน้อมเที่ยวไปมานะเที่ยวไปเที่ยวมาเหมือนกลืนซี่เหล็กอันเข้าไปแล้วยืนแข็งทื่ออยู่เชนั้น ก็คือเหมือนเขาเอาเอาของแข็งแข็งมาดามมาไว้นะครับมันก right. right right father, rewarded, ้มไม่ลงนะแข็งกระด้างแบบนั้นนะครับจะกราบพระกราบอะไรก็กราบไม่ได้นะครับพระมีพันสามมากกว่าก็กราบไม่ลงนี่นะครับก็ลักษณะนั้นนะครับเห็นพระพุทธรูปเห็นพระเจดีเป็นต้นก็กราบไม่ได้นะแข็งกระด้างนะครับเหมือนกลืนซี่เหล็กเหมือนกันเลยเหมือนกัเอาเหล็กมาดามมาไว้นะครับก็ไม่ลงเหมือนอะไรนะกระดูกสันหลังนี่นะครับมันแข็งทื่อไปหมดนะมันเหมือนกับท่อนเดียวนะ เพราะความโกรธนะครับไปที่แข็งแบบนั้นเนี่ยด้วยอํานาจความโกรธอย่างที่พระองค์ตรัสไปอย่างนี้ว่าคนมักโกรธเป็นผู้มกักมากด้วยความแค้นใจนะคนขี้โกรธเนี่ยครับมากมากด้วยความคับแค้นทางใจนะครับถูกว่าแม้นิดเดียวก็คล้องใจโกรธพยาบาทแผ่อานาจไปดังนี้นะเพราะความเป็นผู้ว่ายากอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่า คนว่ายากเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะที่ทำให้ว่ายากไม่อดทนไม่รับเอาอนุสาสนีด้วยความเคารพดังนี้ด้วยนะครับคือเป็นคนมักโกรธเป็นคนว่ายากเป็นคนมีมานะเนี่ยนะเพราะความเมาแยกออกเป็นความเมาในชาติเป็นต้นอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเมาในชาติเมาในโคตรเมาในเพศเมาในความไม่มีโรคเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในชีวิต ด้วยนะครับวันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีใจกระด้างมีโกรธมีมานะมีความมัวเมาเนี่ยนะครับบทว่าละปาได้แก่เป็นผู้ประจบประแจงคือเป็นผู้สงเคราะห์ตระกูลด้วยอํานาจมิจฉาชีพนะครับเนี่ยนะเนี่ยสงเคราะห์ตระกูลนี่ยนะครับด้วยการให้ไม้ภัยให้สบู่ยาสีฟันให้ยุกยาเป็นต้นนะครับนะให้ประกอบทั้งหลายให้ดอกไม้ทั้งหลายแลไรเนี่ยนะครับบางคนก็ถึงก็ให้ครุพันธ์ด้วยซ้ําไปนะครับเอาครุพันธ์ให้ยอมอย่างนี้เรียกว่าประจบประแจง อีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าเป็นผู้พูดเพื่อปัจจัยด้วยสามารถถ้อยคําที่ประดิษฐ์ประดอยและด้วยสามารถแห่งอุบายโกงอย่างนั้นนะสามารถขออย่างอ่อนนุ่มนะครับโยมปฏิเสธไม่ได้เลยนะถ้าโยมไม่ช่วยอาตมาแล้วใครจะช่วยนะหงพวกเราอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ยนะผู้ที่ืยอให้เลยนะครับพักให้ทันทีเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็เอามาประเคนให้หมด ครับนะบ้านก็ว่าทยอยไม่ช่วยพระสงฆ์องคเจ้าแล้วใครจะมาช่วยนะครับโอ้ยผู้สมใช่ใช่ใชนะครับบางทีก็ใช้อุบายโกงใช้โกนโกงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีนะครับพระพิสูจนนั้นก็พยายามอยู่ในขอบเขตนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าอาการประจบประแจงเป็นต้นสําหรับคารวะที่ไม่เข้าใจพระธรรมเขาก็โอ้ย ไปติดนับนะครับบางทีไปเจอพระดีมีศีลก็รับไม่ได้นะครับเนื่องจากไปที่ไหนก็เจอแต่พระประจบประแจงมาตลอดเนี่ยนะไปเจอพระที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นก็ทําใจไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับไปที่ไหนก็โหมีเกียรตินะครับไปนี่พระไม่ให้เกียรติเลยนะครับไปบางวัดเขาก็เรียกแต่โยมแม่เรียกแต่โยมพ่อนะครับเขาก็โอ้ยพระนี่กุลีกูจอบริการไปหมดพอไปอีกที่หนึ่งซึ่งท่านประพฤติปฏิบัติตามธรรมไม่ศาัทธานะครับเพราะฉะนั้น นี่แหละครับหลักการประจบประแจงนี่นะครับหนักๆเข้าคารวาสก็เสื่อมจากศาสนานะครับนานๆเข้าก็เสื่อมจากศรัทธาในาพระรัตนตรัยนะครับไม่เอาแล้วพระพุพะทธรรมพระสงค์คำสอนว่ายังไงไม่สนใจแล้วนะครับเอาแต่พระคุณเจ้าของเราอย่างเดียวนะพระคุณเจ้าของเราจะว่าไงก็ว่าไปถ้ท่านไม่หมดทีนี้ท่านเสียศีลเสียธรรมก็ยังว่าท่านดีอยู่นั่นแหละเนื่องจากว่าอ่านะ พระสมณะเป็นตน้นไม่ได้ทํากิจของตอนไม่คือไม่ได้อนุเคราะห์ทำกับคารวาสเรานะั้นนั้นจริงๆขอให้ขอโอกาส น, นะครับขอให้ช่วยอธิบายคําว่ า, เ, าเป็นการสงเ่าะห์ตระกูลด้วยวิชาชีพเนะครับก็อเ น, นสนาญิเปิดเนี่ยครับที่ว่าเช่นให้ไม้ไผ่นะครับให้ไม้ไผ่นะคือข้าวของที่เป็นของสงอนะ ก็เอาของส่งเหมือนกับของส่วนตัวแล้วก็ให้คารวาตไปเพื่อประจบประแจงนะครับให้สบูยาสีฟันให้ยูกยาทั้งหลายนี่นะครับให้ดอกไม้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดนี่ดูได้นะครับในสังคาทิเศษสิกขาบทที่13เรื่องการปทรุสรายตระกูลนะครับที่ว่าภิกษุปไปอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นผู้ปทุสรายตระกูลมีความประพฤติเลวซ้มนะครับในลักษณะนั้นนะสิครัสังคาทิเศษสิกขาบทที่13นะครับ บทว่าสิงคีสิงคีนะมีกิเลสปรากฏดุจเขาสัตว์เนี่ยนะว่าสิงคีก็คือวาจาที่ประกอบด้วยกิเลส ท, ที่เด่นชัดเช่นกับเขาสัตว์ที่ตรัสว่าอย่างนี้ว่าเป็นพูดดุจเขาสัตว์นะนะถามว่าไอ้คําพูดดุจเขาสัตว์นี่เป็นไงนะก็คือการพูดมีแง่มีงอนนะครับเขาเนี่ยมันมีแง่ใช่ไหมครับมันเป็นแง่เป็นแง่งนะให้คิดได้วิจิตประางนั้นเถอะภาวะที่พูดแง่งอนนะครับ การพูดที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่คมตีความได้เยอะนะกิริยาที่พูดเป็นสี่เหลี่ยมสี่คมนะครับการพูดมีเหลี่ยมมีคูภาวะที่พูดมีเหลี่ยมมีคูอันใดนี้เรียกว่าคําพูดดุดเขาสัตว์นะครับโอ้นะครับฟังแล้วก็ตีความได้วิจิตพิสดาร น, นักเกินนะครับบังเออคารวาะบางคนเขาก็ชอบลักษณะนี้นะครับ ว่าหืเป็นสารุสำนวนคารมคมคายและเกินอะไรเงี้ยนะคือสามารถคิดแล้วแต่จะคิดเอานะครับเป็นคำพูดกว้างๆนะใครเอาไปคิดยังไงก็ได้นะครับลักษณะนั้นนะบทว่าอนนลาความว่าเป็นผู้เหมือนไม้อ่อที่ชูขึ้นคือเที่ยวไปยกตนที่มีใจว่างเปล่าจากคุณวิเศษคล้ายไม้อ่อชูขึ้นมาอ้างนะครับ เนะที่ยว อ, อวดเที่ยว อ, อ้างโยกตัวนี่นะครับทั้งๆ ท, ง ท, งที่ข้างในไม่มีแก่นอะไรเลยนะครับไม้ออมไม้ไม่มีแก่นใช่ไหมครับแต่ว่ามันเด่นชัดนะนะคนมีกิเลส ท, ทั้งหลายไปที่ไหนก็ชูทําตัวโดดเด่นข้างในบะมียอย่างซากอย่างบทว่าณเนะมเตมพิเกเวพิกคูมามกาความว่าภิกษุของเราตถาคตเหล่านั้นไม่ใช่เป็นคนของเราตถาคตบอกว่าภิกษุของพระตถาคตใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่คนของตถาคตไม่เป็นยังไง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคําว่าไมหังของเราตถาคตนี้เพราะภิกษุเหล่านั้นบวชอุทิตพระองค์ที่เรียกว่าภิกษุของเราตถาคตเนี่ยนะก็เพราะบวชอุทิตพระองค์ก็เลยเรียกว่าของพระองค์แต่เพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นไม่ปฏิบัติชอบโดยการประกอบการหลอกลวงนะครับเป็นต้นนะเพราะไปทําตัวหลอกลวงผีศีลผีธรรมเนี่ยนะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัาเรียกว่ามามะกะคือเป็นคนของเราตถาคตเป็นพระของพระพุทธเจ้า แต่ไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้าว่างั้นเถิดโดยบทว่าอภปคาตาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าถึงแม้ว่าภิกษุเหล่านั้นจะบวชแล้วในศาสนาของเราตถาคตแต่เพราะไม่ปฏิบัติตามที่เราตถาคตสอนจึงเท่ากับไปแล้วจากธรรมวินัยนี้นั่นเองคือภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าอยู่ไกลแสนไกลจากศาสนานี้เหมือนคําพระพุทธพทุทธิพระองค์ตรัสใน อังคุตรนิกายว่าท้องฟ้ากับพื้นปฐพีนักปรารถ์กล่าวว่าอยู่ไกลกันและฟังมหาสมุทรทั้งสองนักปราชถกก็กล่าวว่าอยู่ไกลกันอีกที่หนึ่งก็ข้อความในชาดกว่าข้าแต่พระราชาแต่ธรรมะของสัตว์บุรุษกับอสัตว์บุรุษนักปรารถ์กล่าวว่าไกลกันยิ่งกว่านั้นเสียอีกนะครับธรรมะของอสัตว์บุรุษได้แก่อะไรครับทิฏฐิหกสกับโพธิปัขิยธรรมเนี่ยมันห่างยิ่งกว่า สมุดฝั่งนี้กับฝั่งนน้นปัตภีกับท้องฟ้านะครับห่างกันอย่างนั้นนะครับที่ที62สองกับโพธิปักขิยธรรมนี่คนลังงานกันเลยบทว่าวุฒิิงวีรุหิงเวปุลังอัปัชติความว่าและภิกษุเหล่านั้นผู้มีสภาพหลอกลวงเป็นต้นจะไม่เข้าถึงอธิบายว่าไม่ประสบซึ่งความเจริญตามอำนาจของความเจริญด้วยคุณความดีมีศีลเป็นต้นซึ่งความงอกงาม ตามสภาพด้วยความไม่หวั่นไหวอยู่ในคุณความดีมีศีลเป็นต้นซึ่งความภัยบู์ด้วยความบริบู์ด้วยธรรมขันมีศีลเป็นต้นโดยความแผ่ไปในที่ทุกแห่งนะครับก็คือไม่มีความเจริญนั่นเองนะครับไม่ประสบความเจริญด้วยศีลสุตะจากะปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะแปลครับเพราะไม่เด็กประพฤติปฏิบัติตามคาสอนของพระองค์นี่ บอว่าเตจโคเมพิกเวพิกคูมามะกะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูทั้งหลายแม้นอกนี้ว่าของเราต ถ, ถาคตนะครับเพราะอุดบวตอุทิศพระองค์แล้วก็ตรัสเรียกว่ามามะกะเป็นคนของเราต ถ, ถาคตเพราะเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วนะครับเนื่องจากประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็เป็นผู้ถึงความเจริญงอกงามในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ เพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่หลอกลวงไม่ประจบประแจงนะครับเป็นนักปราดมีใจไม่กระด้างมีใจตั้งมั่นที่สู่านั้นก็จะเจริญงอกงามในธรรมะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วนะครับคือในโพธิปคัคขัยธรรมเป็นต้นนั่นเอง